วันนี้พากันตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปพิเศษสมเด็จพระสังฆราชทั้งสิ้นไปชนเมื่อหนึ่งทุม่มครึ่งพากันอุทิศส่วนบุญไปเนะ้ะเนี่ยกรถินนี่เป็นกระถินประธานมาจากสมเด็จพระสังฆราชนักศึกษาหายลายคขนแกนนักสษาแพทย์เอามาถวายเราเนี่ย เป็นกฐินประธานของสมเด็จพระสังฆราช20กองสําหรับไปถวายกับพระวัดพระกรรมฐานวัดกรรมฐานทั่วทั่วประเทศ20วัด20กองนักศึกษาเขาเขาไปรับมาเผื่อวัดเราแต่เขาก็ไม่ได้บอกลงหน้าดอกเราก็ไม่ทราบลงหน้าเข า, เขาเอามาถวายเลยมีผภาพใรมีภาพขาวสองภาพมีบาทบริคา น, นแปนั่นแหละอัถรบริคาน มีสีมีได้มีเข็มมีรูปลิงตากับกับกับท่านกับท่านแล้วก็มีป้ายอันนั้นแล้วก็มีปัจจัยอีกหนึ่งพันบาทยี่สิบกองทั่วประเทศแต่ท่านก็นทำมาทุกปีนะดูเหมือนจะหมอปิยรถที่บัวแก้วเขาก็ได้ยินว่าพระเทพสารเวทีจะจะไปพระเทพสารเวทีเป็นผู้จัดการเรื่องเหล่านี้ เป็นเลขาของเพิ่อนแต่เมื่อคืนเพิ่นก็นสิ้นพระชนไปแล้วหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งครบหนึ่งรอยปียังมีหายใจอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ครบหนึ่งรอปีกับยี่สิเอดวันครบหนึ่งรอปีกับยี่สิบเอดวั น, วนแล้วหลวงตาปีนี้เขาก็จัดครบหนึ่งรอปีแต่ท่านล่วงไปแล้วสองปี หลวงปู่เขียนเจดีท่านปีนี้เราก็จัดร้อยปีเหมือนกันแต่ท่านล่วงไปแล้ว10ปีหลวงปู่เขียนอายุ90ปีท่านมรณภาพหลวงตาอายุ98ปีสมเด็จท่านสมเด็จสังฆราชอายุหนึ่งปีกับ21วันซึ่งท่านเป็นเพื่อนสหาธรรมิกันเนี่ย วันนี้ใครตั้งใจทำบุญมากน้อยว่าอุทิศเป็นเป็นพระกุศลถวายท่านเป็นปฏิการะคุณท่านเป็นผู้มีคุณต่อพระศาสนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนานเท่าไหร่มนุษยนะ์น่ะยังยังไม่ได้ไป น, นับดูนานกี่ปีไม่ทราบสมเด็จพระสังฆราช ท่านทำหน้าที่ไม่ได้มาหลายปีแต่ก็มีคณะปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราชตั้งเป็นสิกว่าปีมาแล้วแหละมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่นุ่นวัสเกตวัสเกตนั่นก็ลงไปก่อนนะ เกตท่านก็พึ่งล่วงไปได้เดือนสองเดือนมั้งวัดสเกตสมเด็จเกียวเป็นประธานปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ใช่ส ม, ษษษษษมเด็จสังฆราชเดี๋ยวนี้ก็วัดปากน้ํามั้งทําหน้าที่เป็นทําหน้าที่ต่อจากสมเด็จเกียวมาเป็นประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆาราชแต่สมเด็จสังฆราชเพิ่งยังยังทรงพระชนยูเพิ่งล่วงไปเมื่อคืนหนึ่งทุ่มครึ่งอายุหนึ่งรอปีกับย1บวันสมเด็จพระสังฆาราชถือว่าเป็นประมุกสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยรวมทั้งคณะสงฆ์ต่างประเทศ ที่เป็นเ ช, เชื้อสายไปจากประเทศไทยสมเด็จพระสังฆราชเป็นตําแหน่งที่สถาปนาขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์ของเมืองไทยเราท่านฉลาดท่านเห็นสาระคุณของพระพุทธศาสนาท่านเอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจําชาติ เสด็จท่านก็ทรงสถาปนาทรงอะไร อ, อะไรต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยอยุทยามาต่อเนื่องมานะเราจะเห็นว่าพระศาสนาเจริญเรื่อยๆมาอ่าแล้วก็มีภาษากราชมาเรื่อยๆสมัยก่อนนั้นมีทั้งแผนอกอ่าทั้งฝ่ายฝ่ายอรั ญ, ญาวาสีฝ่ายคามาวาสีฝ่ายอรั ญ, ญาวาสีคือสายป่าอ่า สายคามาวาสีคือสายบ้านถ้าเราเรียกอย่างทุกวันนี้ก็คือสายปริยัตกับสายปฏิบัติเดี๋ยวนี้สายปฏิบัติกระจายแพร่ไปทั่วประเทศสายปฏิบัติก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่จำกัดว่าเป็นวัดป่าวัดบ้านแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วตรงไหนมันก็ปฏิบัติไปหมดแหละเราอยู่บนตึกสิบชั้นมันก็เป็นปฏิบัติอยู่นั้นแหละไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในป่า ไปอยู่ไปอยู่ในปา่าแต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติลงตาฉันว่าเหมือนกระโกระนั่นแหละเหมือนลิง <c oughs> ไม่ตั้งใจปฏิบัติอ่าเพราะฉะนั้นเราจะให้ให้ความหมายทีเดียวว่าสายป่าวัดป่าแต่ถ้าใช้คําว่าปฏิบัติเนี่ยถูกต้องอยู่ปา่าแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ม่ม่ลุงตาว่าเหมือนลิง <c oughs> แต่ผู้ที่จะจะไปอยู่วัดปา่า จะไปอยู่ป่าทุกยากลำบากกันดานได้ได้อย่างแท้จริงก็คือผู้มีปณิธานอย่างนี้ต้องการสงบระงับอย่างนี้ต้องการปฏิบัติอย่างนี้ต้องการภาระผ่อนเบาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านถึงจึงไปอยู่ป่าได้ไม่ใช่คนสุ่มสี่สุ่มหก็ไปอยู่ป่าได้อยู่ไม่ได้ดอกไปปล่อยไว้วันเดียวเท่านั้นร้องไห้เลยแหล ะ, อะนอกจากมันไม่สะดวกไม่สัปปยะแล้วยังกลัวสัตว์กลัวเสือ ไอ้สิ่งที่กลัวมากคนนั้นเอาไปอีกกลัวผีสารพัดที่จะกลัวมนุษย์เราเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ทุกททุกยุคทุกสมัยทุกรา ช, ชวงศ์ของเมืองไทยมาต่อเนื่องมาเท่าที่พวกเราทราบก็เอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาโดยตลอดนะแต่เดี๋ยวนี้เขามีศาสนาเป็นคู่แข่งมาเข้ามาเข้าแข่งมาเร็วมาก เขาคิดว่าจะอยู่ในเงื่อมมือของเขาภายในไม่กี่ไม่กี่นานเนี่ยแหละแต่ถ้าพวกเราโมเดนนิ่งนอนใจเนี่ยระวังเขาจะเหยียบมือเหยียบตีนะหักแข่งหักขาจิกหูจิกตาเราอยู่นี่แหละระวังให้ดีอ่ะอสถาน บ, บีบบังคับให้ทิ้งศาสนาพุทธยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมตายไม่ยอมตาย ระวังให้ดีศาสนาในโลกนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราชําระกิเลสออกจากหัวใจแต่บางศาสนาเนี่ยส่งเสริมกิเลสให้เพิ่มปูนทวีคูณขึ้นในหัวใจเพราะฉะนั้นศาสนาสองศาสนานี้จะต้องเป็นปฏิปักษ์กันแน่ศาสนาหนึ่งเดินไปตะวันตกศาสนาหนึ่งเดินไปตะวันออก สมมติความสว่างอยู่ด้านตะวันออกยิ่งเดินไปก็ยิ่งสว่างยิ<ม>่งเดินไปยิ่งสว่างพุตตเจ้พาฆ์ของเราเดินไปหาความสว่างนั<ม>่นแหละศา ส, สนาที่เดินบำรุงกิเลสเต็มทั้งร้อยก็เหมือนก็เดินไปตะวันตกดวงอาทิตย์อยู่ด้านตะวันออกแต่หันหน้าไปตะวันตกเดินไปตะวันตกยิ่งเดินไปทางเลยยิ่งมืดไปยิ่งเดินไปทางเลยยิ่งมืดไปเราจะเอาอะไรระหว่างศาสนาหนึ่ง ตั้งขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสในหัวใจของคนของสัตว์ศาสนาหนึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิเลสเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นพันทวีมรู้จักจบเพราะฉะนั้นอนํานาจของกิเลสถ้ามีอยู่ในหัวใจของคนยิ่งไปส่งส่งเสริมมันมันยิ่งร้ายกาจกว่าสัตว์สัตว์เขามีแต่สัญชาตญาณเขาไม่มีปัญญาอะไรเป็นเครื่องช่วยเสริมให้มันรุนแรงแต่มนุษย์เรา เป็นมันสมองที่พัฒนาได้สมาธนึกละเอียดสุขุมลึกเข้าไปเท่าไรก็ได้นึกหยาบคายที่สุดเท่าไรก็ได้ไหวใจของคนของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยของสัตว์เนี่ยแต่ถ้าหากปลุกฝังอย่างนั้นอย่าลืมว่าทิฏฐิมันเป็นเครื่องชี้นําดึงจิตของคนไปลากจิตของคนไปคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำงํำนี้คุณต้องทํานี้ ตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาอา้าวใครเดินผิดจากหลักนี้แต่หลักที่บุตรีเจ้าท่านสอนนั้นเป็นหลักธรรมชาติหลักนี้เพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงหลักนี้เพื่อความทุกข์ความยากความลําบากอย่างแท้จริงท่านก็พยายามให้หลีกไฮเวน้นก็เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เี่ยที่พุตรีเจ้าท่านพาเราเดินเพราะฉะนั้นในศาสนาของพระองค์จึงมีเมตตามีเมตตาและวไม่พอมีกรุณา แล้วก็มีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาครบครบวงจรครบองค์กรในการเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะความตั้งมั่นหัวใจของคนที่บ่งบอกว่านั่นแหละคือพื้นฐานของคนของจิตที่มีคุณงามความดีนะเมตตาท่านก็เมตตาเราเราก็เมตตาท่านท่านก็ครุณาเราเราก็ครุณาท่านเมตตาคืออะไรปรารถนาดีต่อกันไม่เพ่งเล็งกันไม่จับผิดกันไม่ฟองร้ายกัน ไม่แข่งแย่งกันนะไม่ขัดแย้งกันถ้าตรงกันข้ามแล้วถ้าตรงกันข้ามแล้วคือขัดแย้งกันแข่งแย่งกันจริงดีจิงเด่นกันทะเลาะบบกแวงกันแย่งอานาจกันแย่งอาหารกันแย่งที่อยู่กันแย่งความเป็นใหญ่กันร้ายกาจยิ่งกว่าโจนห้าร้อยกับห้าร้อยสู้กันนะ ร้กาดยิ่งกว่าโจนกับห้าร้ยโจนห้าร้อยกับโจนห้าร้อยฆ่ากันนี่นี่คือการการตั้งความปรารถนาไว้ผิดมันทําให้เราได้รับความเสียหายอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นพื้นเพเป็นหลักเมตตาเราเมตตาท่านท่านเมตตาเราชุ่มเย็นในหัวใจไหมชุ่มเย็นในหัวใจกรุณาหมายความคนนั้นประสบทุกยากลําลบากแล้วอา้าวกรุณาปรารถนาเขาคนทุกขนั่นๆ เราก็กรุณาท่านท่านก็กรุณาเราคนเราถ้าคนเดียวอ่าไม่มีอะไรสมมติอดอยากนั่งอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้ไม่มีใครเอาอะไรมาให้เลยแล้วก็อดแต่ถ้าเป็นสองเป็นสามอะไรเห็นกันคนนั้นเอามา น, นั่นมายื่นคนนี้อันนี้มายื่นอ้าวเราเดินไม่ได้เราขยับไม่ได้เร า, เราอะไรไม่ได้เรา็ยังพอได้ดูดได้ดืม่มได้กินนี่คือการช่วยเหลือกันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นตัวใครตัวมันตีนใครตีนมันหาได้กับของใครของมัน ใข่อดมันตัวใครตัวมันแสดงว่าถ้าเราอาศัยปลีแคลงตัวเราไม่ได้คนอื่นที่ที่จะคอยเย อ, อาจารย์เรามันก็ไม่มีแต่อันนี้มันเป็นสังคมของโลกในการช่วยเหลือกันนะแต่ถ้าพูดไปแล้วก็เข้าหลักเมตตากรุณาบุติตาโอเบคขานั่นแหละกรุณาแล้วไม่พอมุติตาอีกเขาได้ดีอา้าวเขาอาจเราอาจจะได้หนึ่งเขาอาจได้สองอาจได้หได้10บ เราก็มุทิตากับเขาเออเขาดีเนาะบุญเขาดีเนาะเขาได้ดีกว่าเราเนาะเขาได้มากกว่าเราเนาะเขามีความสุขความสุขกับกว่าเราเนาะเขารวยกว่าเราเนาะงานเขาดีกว่าเราเนาะสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยดบดีสะดวกสบายกว่าเราเนาะมุทิตาพลอยยินดีไปกับเขามันต่อต้านอะไรต่อต้านความอิจฉา ia, ริษยานะนี่ธรรมะของพระเจ้า ความมุติตาเนี่ยมันต่อต้านความอิจฉาความปริษยาความอิจฉาความปริษยาคือการที่ไม่พอใจอยากรีบอยากดีอยากโงอยากดังอยากเด่นคนเดียวต้องเราคนเดียวต้องเราคนเดียวแต่คุณไม่ได้เกิดมาคนเดียวคนเกิดมาเต็มโลกเขาก็ต้องดีด้วยเขาก็ต้องเด่นด้วยดีเขาก็ดีด้วยสุขเขาก็สุขด้วยเราทุกเขาก็ทุกเราสุขเขาก็สุข เราดีเขาก็ดีดีได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอะไรด้วยการพร้อมกันเขาสุขก็เหมือนเราเอาหัวใจของเราไปเทียบหัวใจเขาหัวใจของเขามาเทียบหัวใจเราเราก็อ ย, อยู่เย็นเป็นสุขได้เราต้องการความสุขเราประสบความสุขเราประสบลาบประสบผลประสบความเจริญเงาะเงยงาะงามความเป็นอยู่สะดวกสบายอะไรมีเราเราดีใจเราสุขใจขนาดนี้ถ้าเขาได้เขาก็มีความสุขใจ มีความพอใจยินดีเหมือนกับเราอย่างนี้แหละอเขาทุกข์ใจเขาลำบากใจรขบเดือดร้อนใจขนาดนั้นโอ้ถ้าเราทุกข์ใจลำบากใจเดือดร้อนใจเหมือนเขาเราก็จะเป็นทุกข์เหมือนเขาแต่าอาจจะทุกข์มากกว่าเขาอีกก็ได้ท่านให้เอาหัวใจของเราไปทเทียบหัวใจของเขาเอาหัวใจของท่านมาทเทียบหัวใจของเราเอาหัวใจของเรามาทเทียบหัวใจของท่านอื แบบนี้ก็ทําให้เรามีเมตตากรุณ า, าอ่อนน้อมเข้าหากันโลกนี้มันเป็นสถานที่ที่เราเกิดมาต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็มาพบกันมาเจอกันเสร็จแล้วต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเราเดินยังไม่สุดเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายาไปอีกยาวนานถ้าใครไม่รีบเร่งขวนขวายสร้างทำำําบําเพ็ญบารมีให้เติมเติมขึ้นอย่างรวดเร็วคนนั้นก็จะลอยคออยู่ในวัฏสงสารยืดยาวไม่มีที่จบ อย่าลืมว่าลอยคอในวัฏสองสารยืดยาวไปเท่าไหร่ก็คือลอยคออยู่ในความทุกข์อยู่ในกองทุกข์อยู่ในทะเลทุกข์ความทุกข์เวลามันเกิด ใ, ในหัวใจไปนั่งวิจัยวิจารณ์ดูทุกคนประสบมาด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนหวังความสุขความเจริญเราเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความยากความลําบากเราช่วยเขาเขาดีใจเขาปลื้มใจเขาอัดอั้นใจปลื้มเปียกติน้ําหูน้ําตาไหลขึ้นมาทันทีเพราะอะไร เพราะความมีน้ำใจของเรานี่สิ่งเหล่านี้คือความดีแต่ถ้าตรงกันข้ามเบียดเบียนกันนะตัดรอนกันตัดหน้าตัดตากันให้ความปัททุสรายกันอันนี้ต้องถือว่าเป็นความไม่ดีความดีกับความไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญแค่สองอย่างหนึ่งความดีสองหนึ่งให้ทาความดีสองให้ละความไม่ดี ความดีกับความไม่ดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้จบพระไต scheint, รปีดกไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จบการใดก็ตามที่เราทำลงไปแล้วเราก็ได้รับความสุขความเจริญเราก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้รับความสุขความเจริญคนอื่นก็ได้ประโยชน์นี่ต้องถือว่าเป็นความดีเป็นความดีการใดก็ตามที่เราทำลงไปแล้วเราได้รับความสุขความพอใจแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นก็เสียประโยชน์ คนอื่นเขาได้รับความทุกข์จากการกระทําของเราอันนั้นคือความไม่ดีไปพิจารณาดูทุกอย่างมันจะมีลักษณะอยากอยู่อย่างนี้สิ่งใดที่เราทําลงไปแล้วเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นคือความชั่วสิ่งใดที่เราทําลงไปแล้วเราก็ยินดีพอใจได้รับประโยชน์คนอื่นก็ยินดีพอใจได้รับประโยชน์ไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละคือความดี มันเป็นไปจากกิริยาการกระทํำของคนกิริยาของกายของวายจาและก็ของใจท่านจึงสอนให้เรารักษาศีลกํากับกายวาจาจึงสอนให้เราภาวนากํากับใจมันไปจากช่องทางของกรรมสามทางนี่เองนี่เป็นช่องทางเป็นที่ประพฤติเป็นที่ปฏิบัตินี่เราพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญในแผ่นดินเช่นอย่างพระราชา พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สุดทธาปนาพระสงฆ์พระสงฆ์งก็เป็นองค์กรเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาแต่ด้วยเหตุที่ชาติบ้านเมืองเอามากำกับเป็นหลักศาสนาประจำชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ศาสนานั้นท่านอาจจะตีความเป็นรวมๆไปว่าศาสนาไหนก็ได้ แต่แท้ที่จริงอย่างพวกเราชาพูดเราก็มองเห็นศาสนาพูทธเร า, าา ร, ร, ร, ราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนป้พระติพระประชาชท่านจริงสถาปนาพระสงฆ์นี่แหละให้เป็นผู้ช่วยดูแลหมู่พวกกันเองบอกสอนประชาชนให้มีในในคณะของสงฆ์ก็ตั้งให้มีจะจะเอาวาดดูแลาวาดัดจากคณะตำบลหลายๆายวัดรวมกันเป็นตำบล หลายๆตำบลอา้อาวรวมกันเป็นอำเภอหลายๆอำเภอเอา้อาวรวมกันเป็นจังหวัดมีเจ้าคณะ เ, เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคนะอันนี้คือตำแหน่งมีตำแหน่งและก็มีสมณศักดิ์ตำแหน่งนี้อาจจะเป็นคณะสงฆ์ตั้งขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าสมณศักดิ์พระเจ้าแผ่นดินชาตท่านอนุโลมเพื่อเป็นเครื่อง เขเรียกว่าพระราชาศักาการ ะ, ะเป็นเรื่องศั ก, าการะจากพระเจ้าแผ่นดินด้วยคุณงามความดีที่เราทําประโยชน์เครื่อนุนให้กับสังคมให้คนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่าลืมว่าถ้าไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ช่วยบอกสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีแล้วการปกครองบ้านเมืองก็จะยากจะลําบากสอนไม่ให้คนกินเหล้าเงี้ยสอนไม่ให้คนลักคนขมโมยเงี้ยถ้าในสังคมนั้นๆมี มีแต่คนกินเหล้ามีแต่คนลักคนขโมยมีแต่นักเลงสารพัดแต่เรื่องของศีลของธรรมท่านสอนให้ละสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นทางบ้านเมืองจะต้องส่งเสริมพระศาสนานับตั้งแต่พระราชาซึ่งเป็นหัวหน้าท่านจึงมีให้สมณศักดิ์ชั้นน้นชั้นนั้นชันนน้นพระครูชั้นเจ้าคุณไปเรื่อยๆจนถึงนู่นชั้นรองสมเด็ดจนจนถึงชั้นสมเด็จสูงไปเรื่อยๆจนถึงสังฆราชดูแลปกครองเป็นสมณศักดิ์ เป็นสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาพเจ้าคณะหนะเจ้าคณะหนหนเหนือหนใต้หนอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยเราก็เป็นธรรมยุทธ์เป็นอานิกายอา น, นิกรรมมาแยกการปกครองเพื่อให้การปกครองของเรามันกระชับดีขึ้นทั่วถึงดีขึ้นมันมันก็เป็นเหตุให้เกิดเท้าวขวาเท้าซ้ายมันไม่ให้ศาสนาของเราล่ม ถ้ามีแต่เท้าเดียวเนี่ยล้มได้ขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปได้ลองเดินดูดิเดินขาเดียวย่ไม่เดินสองขาเน่นี่เราพูดน้อมมาเพื่อประโยชน์เป็นการเกื้อหนุนหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ยงคงทนในชาติในบ้านเมืองยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเพราะฉะนั้นจึงมีตำแหน่งหน้าที่จึงมีสมณศักดิ์เป็นการให้เกียรติ ราชาคณะพระราชาคณะก็คือเป็นกลุ่มครูบาอาจารย์ที่พระเจ้าแผ่นดินท่านให้สมณศักดิะะ์ถึงชั้นสมเด็จสถาปนาก็คือแต่งตั้งอำนาจพระราชาท่านมีอำนาจแต่งตั้งคือสถาปนาจากคนพื้อนๆธรรมดาถ้ามีคุณสมบัติพอท่านก็สถาปนาขึ้นแต่งตั้งขึ้นอแต่งตั้งขึ้นแล้วก็อย่างสมเด็จสังฆราชนี่ใช้ราชาศัพท์ ใช้ราชาศัพท์บใช้ราชาศัพท์แต่สมเด็จสมเด็จยังไม่ได้ใช้ราชาศัพท์นะพระสังคาราชองค์เดียวเท่านั้นที่ใช้ราชาศัพทบเราจะฟังดูเขาใช้ราชาศัพท์ทั้งหมดเลยน ะ, ะ, ะสมเด็จประสังคาราชอ อ, <c oughs> อย่างกรถินกรถินนี้เขาเรียกว่ากรถิน กรถินประธานประธานจากสมเด็จสังฆราชไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระราชทานแต่เป็นพระราชทานมันเป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินท่านพระราชทาน อ, อันนี้กรถินประธานประธานสังฆราชาสังฆราชาก็ถือถือว่าเป็นพระราชาของสงฆ์แต่ก็ยังยังไม่เต็มที่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็คือคือเป็นยศช้าง คุณนางพระเป็นยศ ช, ช้างคุณนางพระใครจะพูดเหมือนหลวงตาคือยศช้างคุณนางพระแท้จริงเลยแหละหลวงตาเนี่ยคือตำแหน่งคุณนางอ้ายอะไร ท, ที่ท่านได้มาเนี่ยได้มาจากเป็นราชศักดิ์สิทริ์ราจากพระเจ้าเป็นดินอย่างแท้จริงไม่ได้บอกไม่ได้ขอไม่ได้อะไรต่ออะไรไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติทำนั้นทำ น, นี้เพื่อจะใช้ได้สามัญศักดิ์ชนนูนชนั้นนี้ไม่มี ว่าจะมีคุณงามความดีเพียบพร้อมท่านก็ชสถทปนาท่านก็แต่งตั้งให้เพื่อเป็นเครื่องเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูบูชาบุญคุณความสามารถเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เราดูซิเอาลูกศิษย์ลูกหาได้มากเท่าไหร่เราดูอย่างลุงตาเนี่ยท่านเอาลูกศิษย์ลูกหาได้มากเท่าไหร่ในบรรดาคนแสนคนเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ปลุกฝังเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งของแสนคนอาจจะเป็นคน ทำความเดือดร้อนให้กับชาติบันเมืองก็ได้อันนี้อันนี้ด้วยเหตุที่มาเกี่ยวข้องกับครูบาอาจาร ย, ย์บางคนก็กลับเนือ้อกลับตัวมาแสนคนก็อาจจะเสียไปบินไปแค่หนึ่งแค่สองแค่สิมีก็นัวดีนวดีมากเราดูครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝันแล้วกเป็นแกนนําพาพวกเราสร้างคุณงามความดีเพื่อความสุขความเพื่อความเจริญในความเป็นอยู่ทําความสว่างให้กับชีวิตจิตใจกับสติปัญญาของเรา ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเราฟังสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีประโยชน์เกื้อกูลอดหนุนนี่วันนี้เราก็ระลึกว่าเมื่อคืนท่านก็ล่วงไปหนึ่งทุ่มครึ่งสมเด็จสังกราท่านจินประชนอายุครบหนึ่งร้อยปีเกินมายี่สิกว่าวันเนี่ยใครประกอบกุณามความดีอะไรในระยะนี้ในวารนี้อุทิศ ส, ส่วนอุทิศพระกุศลไปถวายท่านท่านจะ ถึงสุคติท่านจะถึงนิพพานจะถึงอะไรก็คือนั่นแหละคือคือความปรารถนาดีของเราไม่สูญเปล่าไม่เสียไปไหนหรกตั้งใจทิ้ส่วนบุญไป